สติปัฏฐานสูตรโดยดังตรินตอนที่สเห็นกายโดยความเป็นธาตุขั้นที่หของการฝึกมีสติอยู่กับกาย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 สามาธาตุไฟมีสภาวะร้อนแผ่ไปในาธาตุอื่นๆและมีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่วนของกายที่เข้าข่ายาธาตุไฟได้แก่อายุุ่นอันแสดงถึงการมีชีวิตอายร้อนที่ยังกายให้กระวนกระวายอายร้อนที่ยังกายให้สุดโทมและอายร้อนที่เผาอาหารให้ย่อยไปหรือของร้อนใดๆอันเกี่ยวกับกาย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 หรือการกระพิบตาทำให้เรารู้สึกถึงความลื่นของน้ำตรงนั้นคือส่วนของาธาตุน้ำความตรากตราขนาดมีผลให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นทำให้เรารู้สึกถึงความร้อนภายในตรงนั้นคือส่วนของาธาตุไฟไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ใครผู้ที่ฝึกรู้สึกตัวมาอย่างดีจะเห็นาธาตุได้เสมอ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 5. ศพนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกผูกด้วยเส้นเอ็นเป็นธรรมดาเลือดจะหายไปแต่โครงกระดูกยังคงเป็นรูปได้เพราะมีเส้นเอ็นยึดอยู่ 6. โครงกระดูกนี้จะกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเส้นเอ็นเป็นสิ่งที่หมดสภาพก่อนกระดูกเมื่อขาดเส้นเอ็นร้อยรัดแล้ว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 การกระทำของเธอในคิดในใจอาจอสมพลไราลึกลับตันงก่พกันทอะไรทดีหรือนันคือกัน จะไม่ปาาราศแล้วันนี้จะอ่อนแรงบืวอทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีพ้ให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห